2. อ, อุดชักคิกะวักสิกขาบทที่หนึ่ง151ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเดินหัวเราะดังไปในละแวกบ้านณที่ไหนตอบทรงบัญญัตนณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุจับ พ, พักขี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉพักขีเดินหัวเราะดังไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต